ทางฝั่งที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นประจำฟังแล้วก็ได้เนื้อธรรมะบ้างทั้งๆมากมายหรือว่าเป็นส่วน เอ่อแล้วบางทีเราก็ไปคุยครับพระบ้างคุยกับเนนบ้างคุยกับคนธรรมดาบ้างคุยกับผู้รู้ต่างๆนานา แต่เราเข้าใจนี่คือหมายว่าทําการเท่านั้นเป็นคําสอนที่สําหรับ ควรควายทําความดีเข้าไปในจิตซึ่งเป็นแค่รู้จําได้เฉยๆแต่แต่ว่าพอรู้แล้วอ่าจําได้แล้วแล้วรู้แล้วจําได้แล้วฟังแล้วแล้วก็ เรเรเรารู้ทุกภาษาทั้งหางแปลเป็นแต่วันที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยอย่างพระบางที แล้วคุณเป็นอย่างไรนะเราเรา 5 ข้ออย่างพระอย่างเงี้ยก็จะมีปกติต้องนุ่งห่มจีวร 8 อ่ะเขาก็จะมีปกติ นะถ้าเป็นผู้บริโภคกรรมอยู่อย่ามีหาความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เอา นะ, 5 ประการเนี่ยท่านฟังเป็นอย่างน้อยตน้อยที่สุด 5 อย่างเนี้ยเป็นธรรม คุณจะไปย่อบริษัทใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่นะย้ายต่างประเทศไป 5 นี่เป็นเป็น 1 ใน 2 อัปปนกธรรมนะเราเอาสิ่งเราไป เนี่ยจะพูดจะจ่ายจะทําอะไรมันก็ต้องคอยดูคอยระวังแต่ที่แน่ๆนะฝั่งฆ่าสัตว์นี่เค้า อื้อหือกองมาตั้งแต่หัวหน้ายันลูกน้องประธานบริษัทยันจนถึงลูกกระจอกอย่างงี้โกนกันมาตลอดสายโอ้เราไปอยู่นี่เราทําไงเราจะทําไงถึงจะรอดพ้น <G ong> 2 เนกกับเรื่องของความเมตตาท่านฟังเราต้องมีเมตตา 2 อัปปนกธรรมในที่ไม่ผิดสิ่งกับเมตตาไหน บรรลุมรรคนิพพานความปรารถนาอย่างนี้นะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากเวรไม่มี 2 อย่างท่านผู้ฟังศีลหรือแล้วก็สมาทานมาด้วย นะแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยฟังแล้วได้มีเมตตา บางทีมันพูดก็ง่ายนะถ้าเราจะเออเราจะยังทําดีกับเค้าได้มั้ยหรือถ้ามา 2 มาตรฐานหรือ 3 4 มาตรฐานน่ะคน นะคนดีคนไม่ดีเราก็ต้องมีเมตตานะเมตตาในที่นี้ไม่ใช่ว่าความปรารถนาใน ต้องรอให้คงต้องรอให้พุทธเจ้าองค์ต่อไปนะท่านฝั่งแต่เพราะ อ้าวถ้าคนแบบนี้มาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องวางอุเบกขานะเพื่อนฝังนะ 4 ส่วนนึงก็คืออุเบกขาเรามีสติเรามี เรเรเรเราก็ต้องมีอุเบกขาอย่าไปด่าอย่าไปว่ามันไม่ถูก มีของที่มีความสุขมากเกินไปก็กลายเป็นความ การสมบูรณ์แห่งธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะการสมบูรณ์แห่งธรรมจะเกิดขึ้นได้เนี่ย นั่นก็คือการที่ธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งปินิจเหมือนที่เราเออนี่ถูกแหะนี่จริงแหะเออพระ เรเรเราก็มามาปฏิบัตินั้นโดยการที่ให้จิตของเรานั้นมีสติก่อนในเวลาเราปฏิบัติเนี่ยจิต นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ่อต่อกายต่อลิ้นนะการอยากคุยการทําไม่ดีทางวาจาก็จะลดลงแล้วก็จะมีกําลังใจในการปฏิบัติที่จะ นะแล้วถ้าตรงนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่ายากในทางฝากแต่ก็ไม่ใช่ว่า <groans> ก็แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากก็คือสตินั่นเองฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนะฟังแล้วๆทําบ่อยๆจะทําให้มี